มีโยมคนหนึ่งอยู่ที่อาเภอพนมสารคามนะชาเชิงเซาอาตมาไม่รู้จักโยมคนนี้นะแต่ว่ารู้จักลูกของโยมนะเป็นเพื่อนเป็นผู้ช่วยอธิการบรดีมหาวิทยาลัยมาศาดโยมวันนี้ก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเมื่อต้นปีต้นปีนี้นะแล้วก็ ในงานศพเขาก็มีการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์งานศพในหนังสือก็มีเรื่องเล่านะของมุโยงคนนีนะ้ชื่อนรองคนะ์จะเป็นคนพนมสารครามเกิดมาเกิดตั้งแต่หรือว่าอยู่ที่นตั้งแต่เกิดนะนั้นก็เล่าถึงสภาพของพนมสารครามแล้วก็อำเภอใกล้เคียงได้อย่างน่าสนใจนะเคยเล่าไว้คราวหนึ่งแล้วเรื่องของหลวงหลวงพ่อคงนะว่ามุนยงคนนี้เคย ไปหาหลวงพ่อคงสมัยที่เป็นเด็กอายุเ 7-8 ครัขวบแล้วก็เจอเสือโคร่งน ะ, ะเจอเสือโคร่งนี่หลายตัวเลยทั้งระหว่างทางแล้วก็ในวัดของหลวงพ่อคงนะหลวงพ่อคงก็คงจะไม่ได้เลี้ยงเสือนะแต่ว่าเสือมันคงจะมะีคงได้รับอิทธิพลนะได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อคงนะก็เลยมาป้วนเปี้ยนนะกอยเฝ้าหลวงพ่อคงเอาไว้กลายเป็นลูนกน้องของหลวงพ่อคงไปแต่เรื่องที่จะเล่านี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือพนมสา ร, รคามเมื่อเจ็ดสิบแปดสิปีที่แล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่แบบนี้นะคือมันเป็นป่าทึบเลยป่าทึบเต็มไปด้วยสิงสารสัตว์นะนอกจากเสือแล้วก็มีช้างสมัยที่คุณนรงค์นี่ยยังเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะเจอช้างเป็น โขงงนี่เยอะมากโขงหนึ่งก็มีช้าง 30- 40ตัวนะเรียกว่าตัวนะไม่ได้เรียกว่าเชือกแตถ้าช้างป่านี่เรียกว่าตัวมันมาก็มาเป็นโขงเลยแล้วก็ใกล้ๆพนมสารคามนี่มันมีมันมีบอ่อนะเป็นบ่อใหญ่เป็นบอ่นบอโบราณนะเครื่องบ่อน้ำํำรัพย์พวกสิงสารสัตว์มันก็มาอาศัยนะ้นําจากบอ่อเนี่ยแล้วมันก็เหยียบจ้ำนะจนกระทั่งพืชนะพืชพืชน้ำเนี่ยในบอ่อเนี่ยมันอัดแน่นกลายเป็นแผ่นเลยคือพืชนีน่มันพืชน้ํานี่มันเยอะมากนะ แต่ว่าพวกสิงสารสัตว์มันก็เวลาลงไปเล่นน้ําก็เหยียบย่ําจกนกระทั่งกลายเป็นแผ่นหนาคนเวลาเดินเนี่ยบางทีเดินเนี่ยไม่ได้เดินลงไปในน้ํานี่เท้าไม่ได้แตะพื้นนะเดินลงไปบนแผ่นพืช น, น้ำนี่แหละแต่ว่าบางช่วงบางตอนมันก็มันก็เป็นรูเป็นร่องนะพอเดินลงไปแล้วก็ไปไ ป, ไปเหยียบตรงร่องนั้นเนี่ยก็จมลงไปเลยนะไอ้จมลงไปนี่บางทีก็ยากนะเพราะว่าเท้านี่ก็ไม่ได้แตะพื้นเอากว่าจะขึ้นมาได้นี่ก็ทุลักทุเล ก็มีคราวหนึ่งได้ยินเสียงน ะ, ะช้างทั้งโขลงนี่ร้องเสียงดังสนั่นลั่นป่าคนก็เลยไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นช้างนะ 30- 40ี่ิตัวเนี่ยมันยืนอยู่รอบบึงนะแล้วก็มองไปที่จุดจดเดียวอยู่ที่ริมบึงนะตรงริมบึงนั้นหัวหน้าโคลงนะเรียกว่าจากฝูงก็แล้วกันนะมันเดินมันไปเหยียบย่ำตรงแผ่นแผ่นพืชน้ำเนี่ยนะแล้วก็เท้านี่ก็จมลงไปเท้ามันจมลงไปทั้งสี่เท้าเลยนะ ขาเนี่ยขามันจนลงไปคือถ้าขาเนี่ยมันแตะพื้นเนี่ยก็ยังพอไหวนะแต่ขามันไม่แตะพื้นเลยมันก็ตัวมันก็ลอยนะอยู่มันก็ร้องให้เพื่อนๆนช่วยจะทํำยังไงนะขนาดคนเนี่ยนะตกลงไปตรงนั้นเนี่ยกว่าจะขึ้นมาได้ก็ลําบากเลยช้างนี่มันนั่งมันยืนดูอยู่สักพักนะมันก็ช่วยกันไปไปดึงเอาท่อนไม้มาท่อนไม้ท่อนใหญ่ๆหลายท่อนเลยคนที่ดูก็สงสารมันกําลังทําอะไรนะเสร็จแล้วก็เห็นช้างนะ เขลองจากฝูงตั้งสามสี่ตัวตัวใหญ่เนี่ยมันเดินลงไปที่บึงนะแล้วก็คอยนะพยายามช่วยวิธีช่วยมันน่าสนใจมากคือช้างเนี่ยท้องเนี่ยมันติดแผ่นแผ่นพืชน้ำเนี่ยนะอย่างที่บอกขานี่มันก็จมลงไปในน้ำแล้วท้องนี่ก็ติดแผ่นอนนี้เนี่ย ไอ้ช้างสามสี่ตัวเนี่ยวิธีช่วยมันก็คื อ, คอพยายามที่จะบีบนะบีบต ร, ตรงท้องเนี่ยท้องนี่มันท้องช้างนี่มันใหญ่ใช่ไหมมันมันก็บานเพลยออกมาพอบีบขนาบสองข้างเนี่ยนะมันก็มันกระบีบลูกปปองนะลูกปปองนี่พอเราบีบเนี่ยถ้าเราบีบขวาซ้ายเนี่ยมันก็จะไปปอลสูงขึ้นทางข้างบนนะรูปปองเนี่ยพอเราบีบสองข้างเนี่ยนะมันก็จะปอลขึ้นมาข้างบน ช้างเนี่ยพอสองสามตัว3ามสี่ตัวเนี่ยบีบนะตรงท้องของจ่าฝูงเนี่ยตัวมันก็โก่งขึ้นมาพอโก่งขึ้นมานะมันก็พอมีช่องว่างระหว่างท้องเนกับกับแผ่นพืชน้ำนะช้างเนี่ยมันอีกที่ตัวที่เหลือเนี่ยก็เอาเอาไม้เนี่ยนะค่อยๆสอดเข้าไปสอดเข้าไปตรงช่องว่างเนี่ยนะโอมันมันเหมือนกับมารู้ ก, กันนะ ท่าหน้าที่มันก็ไม่รู้มีภาษาสื่อกันยังไงนะทุกตัวเนี่ยตัวที่มาช่วยงานนี่ก็รู้หน้าที่นะเอาไม้สอดเข้าไประหว่างท้องของมันใต้ท้องมันนะพอไม้สอดเข้าไปได้สองสามท่อนนะไอ้ตัวที่เหลือนี่ก็พยายามเหยียบไม้คล้ายๆเป็นการดีดนะเป็นเป็นการดีดไม้ไม้เนี่ยพอมันถูกถูกเหยียบนะมันก็ดันช้างที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยให้สูงขึ้นสูงขึ้นตัวที่เหลือนี่ก็พยายามนะพยายามดันดันที่ ดันหลังนะส่วนที่เหลือนี่ก็พยายามใช้งวงเนี่ยนะดึงงวงของของของจ่าฝูงให้ขึ้นมานะทั้งดึงแล้วก็ทั้งดันแล้วก็ทั้งงัดนะปรากฏว่าค่อยๆขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะจนกระทั่งเนี่ยจ่าฝูงเนี่ยมันสามารถที่จะหลุดออกมาจากร่องจากรูนั้นได้แล้วมันก็สามารถจะเดินขึ้นขึ้นฝั่งได้ก็กลายเป็นว่าลอดตายไปนะมีคนเนี่ยทั้งหมู่บ้านมาดูนะ เห็นเหตุการณ์ถ้ามีพรานบางคนนะฉวยโอกาสนะจะยิงนะเพราะว่าช้างตอนนั้นเนี่ยมันเผลอแล้วจะยิงช้างนะแต่มีคนห้ามไว้คนที่ห้ามเนี่ยเขาไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ห้ามเพราะว่าสงสารช้างนะแต่กลัวช้างจะแตกตื่นจะมากระทืบนะช้างพอแตกตื่นแล้วมันก็จะกระทืบคนแล้วเนี่ยงใครเกิดเนี่ยงโง่เนี่ยนะยิงช้างเนี่ย มันก็ตายทั้งตายกันทั้งทั้งหมดเลยนะคนก็จะต้องตายทั้งหมดเพราะช้างก็จะมากระทืบคนที่อยู่รอบๆเนีก็โชคดีนะที่พลานคนนั้นเนี่ยเชื่อฟังนี่ยไม่ยิงอันนี้นี่มันน่าทึ่งก็คือว่าพอช้างเนี่ยนะพอหัวหน้าหรือจ่าฝูงมันขึ้นมาบนฝั่งได้เนี่ยช้างมันก็รวมกันเป็นกลุ่มนะแล้วจจูเหมือนกับนัดพร้อมกันเลยนะมันก็หันมาที่คนนะทุกตัวเลยหันหน้าไปที่คนหมดเลยแล้วมันทํายังไงรู้ไ่ม มันคุกเขา่ามันย่อเขา่าไม่ว่าช้างตัวใหญ่ตัวเลกนี่ย่อเขา่าเหมือนกับว่าขอบคุณนะขอบคุณคนนะขอบคุณทําไมขอบคุณที่ไม่ทําอะไรมันเพราะตอนนั้นเนี่ยช้างนี่มันไม่มีมันไม่มันไม่สามารถจะระวังภัยป้องกันภัยจากคนได้เพราะว่ามันคิดอย่างเดียวว่าจะช่วยหัวหน้าได้อย่างไรนะช้างนี่มันรู้ตลอดนะว่ามีคนอยู่นะทั้งที่คนที่ไปแอบดูเนี่ยก็ ไม่ใช่ว่าไปดูมันให้มันเห็นนะก็ไปแอบอยู่ใต้หลังต้นไม้นะซุ่มดูนะพูดง่ายๆคนเนี่ยหลายสิบคนไปซุ่มดูเพราะว่ากลัวช้างแต่ช้างนี่ตลอดเวลาเนี่ยมันรู้นะว่ามีคนเนี่ยซุ่มดูมันอยู่แล้วมันก็รู้ว่าคนไม่ทําอะไรมันแล้วมันก็เลยนะก่อนที่มันจะเข้าป่าไปมันก็นะพร้อมใจกันหันหน้ามาที่คนแล้วก็คุกเข่าอันนี้ก็หน้าแปลกนะว่าช้างมันมันสื่อสารกันยังไงอย่างพร้อมเพรียงกันอย่างนั้นนะ แล้วก็ทําไมมันถึงมีน้ําจิตน้ําใจนะนะมันรู้วิธีนะว่าจะขอบคุณคนนี่จะขอบคุณยังไงมันเหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นช้างป่าที่ว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะมันก็มีภาษาของมันแล้วก็มีวิธีการที่สามารถจะสื่อให้คนรู้ได้ว่าเขาขอบคุณอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่คนเล่าเองก็บอกเนี่ยไปเล่าให้ใครฟังที่ไหนก็คงไม่เชื่อนะว่าช้างนี่มันแสนรู้มากนะถ้าเพียงแค่มันหาทางช่วยจ่าฝูงเนี่ยให้ออกมาจากบึงได้นี่ก็เก่งแล้วนะ เพราะว่ามันไม่รู้เอาความรู้มาจากไหนนะไอ้เรื่องคานดีคานงัดเนี่ยนะมันรู้ว่าเนี่ยถ้าเอาไม้เนี่ยมางัดนะใต้ท้องช้างเนี่ยเดี๋ยวงัดงัดเนี่ยช้างก็จะค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะแล้วมันก็ทํากันพร้อมเพรียงด้วยมันไม่มีมันไม่มีการมันไม่มีการเรียกว่าประชุมกันเลยนะเหมือนกับว่าไม่มีการประชุมกันเลยแต่มันรู้หน้าที่กันตรงข้ามกับคนนะเวลาเนี่ยเมื่อ ส อ, อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีจัดอบรมนะแล้วก็ให้ให้ไปเจอสถานการณ์บางอย่างนะเจอสถานการณ์บางอย่างที่ต้องช่วยกันแก้ไขเพราปรากฏว่าต่างคนเนี่ยต่างพูดนะต่างส่งเสียงนะแข่งกันไม่เป็นระเบียบเลยนะต่างคนต่างพูดนะคนพูดก็ไม่ได้ฟังส่วนคนฟังก็ไม่รู้ว่าจะฟังใครดีเพราะว่าพูดกันหลายคนเหลือเกินนะ กว่าจะตั้งหลักได้ว่าให้ให้ให้ฟังกันอย่างเป็นระเบียบนะให้ประชุมอย่างเป็นระเบียบก็ใช้เวลานานแต่ช้างนี่มันไม่มีแบบนี้เลยนะจากที่คุณนรงเล่านี่ช้างสามสิบสี่สิบตัวนี่มันรู้กันเลยนะว่า อ, อ๋อสักาการแบบนี้นี่ต้องต้องใช้วิธีนี้และนะต่างคนต่างทาหน้าที่ส่วนหนึ่งก็ไปบีบท้องช้างนะไปขนาบท้องช้างให้ตัวมันสูงขึ้นอีกส่วนนึงก็เอาไม้มามาเสียบไว้นะ มันงัดใต้ท้องช้างอีกส่วนนึงก็ดันหลังอีกส่วนนึงก็ดึงข้างหน้านะเอานงวงเนี่ยดึงฉุดข้างหน้ามันทำกันอย่างพร้อมเพรียงมากนะเหมือนกับว่ารู้หน้าที่คนธรรมดาที่ทําไม่ได้แบบนั้นนะถ้าไม่ถ้าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ทําไม่ได้เรียกว่ามั่วไปหมดเลยนะแต่ช้างนี่มันทําได้ดังนั้นในแง่นี้ช้างมันก็ดูเป็นเป็นพวกที่รู้เรื่องรู้ราวมากกว่าคนนะ พูดถึงเรื่องการทำงานด้วยความพร้อมเพียงกันนี่ช้างนี่มันทำได้ทั้งที่มันก็ไม่มีภาษาที่จะพูดได้แบบคนนะคนเราพูดมีภาษามากมายแต่ช้างนี่ภาษามันน้อยคำมันน้อยแต่ว่ามันก็รู้หน้าที่อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกก็เล่าเอาไว้นะให้ให้เห็นให้รู้ว่าเนี่ย้สัตว์นี่นะมันมีสัญชาตญาณที่น่าทึ่งมากนะแล้วก็บรรยากาศแบบนี้คงจะเห็นไหม คงจะไม่มีการได้เห็นแล้วเพราะว่าป่าเปิดก็หายไปหมดแล้วนะเราก็เตรมรับพร